เราบารอบดิการะนะมหด ر รอไว้ไม่กี่เรียนอิน نحن ملكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. ن ل ك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إلا إلا أن كذب بها الأول إلا أن كذب بها الأول و َ آ ت ي ن ا َ م و د ا نقت م ُ ب ص ر ة ً و ظ َ ل َ م ا بها َِ وما َ نرسل بالآيات إلا تخوفا َ وما نرسل بالآيات إلا تخوفا سمعنا อินนัลฮะมดุลิลลาห์นะฮ์มดุห์ وناستعئنُه وناستغفِرُه وناعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلَّله وما يضلّل فلا هاديَ له وأشهد أن ل إله ا الله ه لا ش له و أ د م ح د ا ً ع ب د و ر س ا ل l a h ص ل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ب ك أصبحنا وبك أمشينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك م س ت ط ع ت ه أبو أ ل ا ب ن ع م ت ك ف ف ت إ أ ع ل ي وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมม ฟจ j a r รุอนะ้ำมาสช้าตุกทตานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Allah subhanahu wa taala ที่ Allah ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพียต้องทราบไหมคนนี่นะจะหากันนอนหลับไปแล้วตอนกลางคืน Allah จะให้วิญญาณเนี่ยออกจากร่าง นะครับจะให้วิญญาณนี่ออกจากร่างในอัลกุรอานอัลล์ได้กล่าวไว้เรื่องเรื่องวิญญาณตอนหลับเนี่ยวิญญาณออกในสุรซูมัดนะครับอัลล์กล่าวว่าว่าอัลลอฮฺจะทวัฟฟัลอัมฟุสุใหนามาวตฮวลลีลมตะมุ ปีามคอธิบายก็คือว่าอัลลอ์ให้ชีวิตคือทุกชีวิตเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะให้ตายตอนไหนให้านาเมาติฮคือเอาวิญญาณของเขาออกเนี่ยตอนเขาตายอันนั้นแปว่าตายจริงวัน ล, ละทีลำตะมุด แล้วก็เอาวิญญาณออกอีกใครกับคนที่ยังไม่ตายขณะที่เขานอนบนที่นอนของเขาอธิบายยังไงอุลอมะสลัฟอละลฟอธิบายอย่างนี้ตักบิดอารวาอุลอมวาดอิดามาตุอัลลอเนี่เอาวิญญาณของคนตายเนี่ยออกไปเวลาเขาตาย ว่ารัวฮุลอาห์ยาอิดานามูอาวิญญาณออกอีกตอนไหนเขายังไม่ได้ตายเขายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เขานอนหลับตอนที่เขานอนหลับเนี่ยอัลลอฮ์เอาวิญญาณออกแต่ว่าสิยาสิยาหมายถึงว่า ความรู้สึกเนี่ยยังมีอยู่ <c oughs> แต่วิญญาณน่ะออกไปยังผูกพันกันอยู่ไม่เหมือนกับคนตายคนตายเนี่ยเอาออกแล้วเอาออกเลยฉะนั้นต้องการจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าตอนเราตายเนี่ยอัลลอฮฺเอาวิญญาณออกตอนเราหลับอัลลอฮฺก็เอาวิญญาณออกเหมือนกันทีนี้ ถ้อธิบายอย่างอื่นมีอีกอธิบายอย่างนี้เวลาออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนวิญญาณออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนตอนนอนหลับเนี่ยนะตอนนอนหลับเนี่ยวิญญาณจะเข้าไปเฝ้าอัลลอฮ์ไปสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอู ว, วตาต้าอะไรทีนี้วิญญาณของคนสุกประวิญญาณของคนชั่วคงคนที่ไม่เอ า, าศาสนา วิญญาณของคนที่ ak, ไม่เอากุรอานไม่เอาสุนนะนบีคือปฏิเสธอิสลามเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้วิญญาณนขึ้นข้างบนเหมือนกันนะไม่เอาขึ้นครับทำไมไม่เอาขึ้นนะเพราะอัลลอฮ์กลานักบุญอักุรอานบอกว่า حتى يلي جل جملو في سمل خيالروح เนี่ยจะขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอ์ swap. flight. ได้เนี่ยมันก็เข้าสวรรค์นั่นแหละจนกว่าอูจะลอดรูเข็มเสียก่อน chron. อโล่ไม่ให้ขึ้นกับเฉพาะวิญญาณของผู้ที่สะอาดเท่านั้นเองที่อโล่จะให้วิญญาณออกจากร่างก็ขึ้นไปข้างบนทีนี้จะหาวิญญาณของคนชั่วล่ะ ว, วิญญาณของคนชั่วแล้วไปไหนอ่ะขึ้นข้างบนไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปะสะปะอยู่ตามที่ต่างๆเช่นไปที่ถนนเข้าสารจะต้องเข้าสารอยู่ที่ไหน ที่ไหนนะศีลก็หัวถึงนั้นมียาหูดีฝรัง่งเยอะก็ทาอะไรก็กินเหล้าคนนี่นั่นนะเลยการปรนันกันทำศีนากันที่นั่นเนะ้วก็วิญญาณที่ขึ้นทางบนไม่ได้ก็จะไปบานในครับอยู่กระจักระจา่ายู่ตามทั่วกทมเนี่ยจะเข้าไปนั่นแบ ส, ส น, นุกซะนะถ้าท่ทานจะหาวิญญาณของคนที่ดีเนี่ยนะ เขาฝันก็ฝันเรื่องดีตลอดบอกว่าวิญญาณเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อะฟิซอธิบายดีว่าตอนวิ่งเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าฝันดีถ้าฝันจะฝันดีตลอดแต่ตอนเข้ามาเนี่ยตอนหันหันหันหน้าเข้าเข้ามาดุนยาเนี่ยนะจะฝันไายตลอดกานคนกาเฟรก็เหมือนกันนะครับโอกาสที่จะขึ้นข้างบนมีไหมไม่มีก็ฝันแต่เรื่องไร ถ้าจะฝันดีก็มัใช่ดีมาจากอัลลอฮฺเราดีเป็นต้นฉะนั้นเราต้องดูแลวิญญาณเราให้ดีทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็ดูแลส่วนที่เป็นบอดีนะ้น่ยส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยมากกว่าดูแลส่วนที่เป็นรั ح, ้วใจเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละ ความจริงนบีเนี่ยสอนดีนะบอกว่าดูแลวิญญาณให้ให้อ่านให้นามาตวันละเท่าไหร่กี่ครั้งนะ่ะห้าดูแลร่างกายทานอาหารวันละสามมือไอคนที่กินมากกว่าสามมือก็เป็นโรคหัวใจไบาพาสทำบอลลูนแต่ถ้าหาว่าดูแลวิญญาณเยอะๆอ่านกุรอานเยอะๆนมาต์เยอะๆ รับรองไม่เป็นโรคหัวใจอยากรูกขึ้นมาแต่หันยุทธทุกคืนทุกคืนทุคืนทุกคืนเนี่ยเป็นโรคหัวใจไหมมันยังเหมือนทานอาหารเนี่ยทานอาหารเนี่ยลองกินสี่ทุ่มก็กินห้าทุ่ก็กินตีหนึน่งก็กิ น, น, กก น, น, กกนไม่ช้าเถอะเป็นอะไรโรคตามมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจะหาว่าดูแล ว, วิ ญ, ญญาณด้วยการด้วยอาหารที่อลัลลอฮฺส่งมาจากข้างบนเนี่ย เช็ดอ่านุรอานเยอะๆนั่งอ่านตับสิทธเยอะๆวิเคราะห์อัลกุรอานศึกษาสุนนะนบีฮะดิษมายท่านนบีทั้งหมดนี่เป็นอาหารวิญญาณทั้งหมดนั่งอ่าคุรุอ่าเป็นอาหารวิญญาณอ่านคุรุอ่านเป็นอาหารวิญญาณนมาศเป็นอาหารวิญญาณถ้านอาหารวิญญาณเยอะๆไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้าหาว่าทานอาหารเอาไปเลี้ยงร่างกายเยอะๆเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเอง นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะถ้าวิญญาณสุกกระโปงถาวิญญาณสุกกระโนะรั้วสุกกรกนะ่ะอานเช่นอะไรบ้างไม่เข้ามัสยิดนะเดินผ่านโซเรลไม่เข้ามาัสยิดแต่ยินเสียงอาจารย์แม่นามาแล้วก็ชอบนั่งนินทาคนว่าคนนี่เป็นคนป่วยนะอ่านจากคัดีิสแล้วเป็นคนป่วย แต่คนป่วยแบบนี้เนี่ยอาจยบกว่าคุณป่วยนะโมโหนะเพราะคนป่วยแบบนี้นะไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นคนป่วยนินทาคนเยอะๆด่าคนเยอะๆอิจฉาคนเยอะๆโมโหคนเก่งๆถางว่าคุณกำลังป่วยอยู่โมโหนะฉันไม่ป่วยฉัน a อ very s t r o n ตรองแมนใคเป็นคนแข็งแรงถ้าจะป่วยจริงก็ต้องป่วยแบบ เข้าโรงพยาบาลนั่นแหละเพิ่งจะรู้ว่าป่วยพอะไม่สบายจริงๆและไม่สบายส่วนที่เป็นร่างกายเพิ่งยอมรับว่าป่วยแต่ต่าหากว่าวิญญาณป่วยนี่มันมีใครยอมรับสักคนหนึงใช่หรือไม่ใช่ใชใชโรคอิจฉาไปอยู่ในตัวเนี่ยรู้ตัวไหมไม่รู้แต่ใครไปบปกว่าคุณอิจฉาคนเก่งโมโหนะโรคขี้เหนียวพวเหมือนกันมีเงินเยอะเงินไหลล่างธ น, นาคารบอกขบบริจาคหน่อ คุณขี้เนียวโมโหเลยใช่ไหมจะได้อโรคทางวิญญาณเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกตัวถ้าว่าป่วยทางด้านร่างกายนี่มันรู้ปั๊บไน่รู้การอัลลอ์ต้องการจะให้เรานั่นชำระเช็คดูตัวเองเรื่องของรัชของเราเยอะๆเอาวันนี้มาดูกุรานสุร่าอัลอิสร อ, อยายะที่ห้าสิบเจ็ อายาหาสิบหนอธิบายซ้ำนิดนึงนะกุลิจอัลลอฮินะซามตุมินดูนิฮี فلا يملكون كش فبضني عنكم ولا تحويلا ขอทวนนิดนึงนะครับว่ามุฮัมมัดเอ๋ยนี่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดเอ๋ยสู่เจ้าจงเรียกร้อง บันดาที่พวกท่านอ้างว่ามีพระเจ้าย่อยๆอื่นจากอัลลอ์จงประกาศให้พวกเขารู้มาทำมาเลยคนที่บูชารูปจเจวทอื่นจากอัลลอ์บูชาตนกลวยบูชาดวงอาทิตย์บูชาดวงจันทร์บูชามาลาอิกะบูชานบีอีสาบูชานางมารยมคนที่เชื่อเลิกดูยาม เชนจะซื้อรถคันใหม่เนี่ยที่เขาออกรัฐบาลประกาศว่าจะให้คืนแสนบาทเนี่ยจะซื้อรถนี่ต้องดูเวลาก่อนนะถ้าเก้าก็ต้องเก้าโมงเก้านาทีอ่าอย่างเงี้ยต้องมีเก้าเก้าเก้าเก้าเก้าทั้งหมดเหล่านี้มหมัดช่วยบอกรวมไปถึงคนที่เชื่อว่าต้นไม้นี่น่ะสามารถอะไรนะเนี่ย สามารถอะไรนะสามารถไอเขาเรียกว่าอะไรดึงอะไรนะความสุขความสบายนําลาบมานําโชคดีมาคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้นบีมูฮัมมัดประกาศให้เขาฟังวันนี้นบีไม่อยู่แล้วอัลเราสั่งใครอะ่ะสั่งพวกเรานี่แหละเอาไปบอกคนที่บูชารูปจเจวต์อื่นจากอัลลอฮ์ คนจะบูชามาลาอิกะบูชานาบีอีซาบูชาตตตะเกียบูชาเอาต้นขนุนต้นมยมไหว้สองต้นไม้เนี่ยนำลาบมาให้กับบ้านของเขามีคนมาสนับสนุนมีคนมานิยมชมชอบรวมไปถึงคนที่ไรนนะดูเรื่องดูยามจะซื้อรถจะผูกบ้านก็ต้องมีดูยามก่อนต้องเก้าโมงเก้านาทีหรือว่าเก้าโมงเก้าสิบเนาที ไปสตูนกันมีคนถามเยอะครูอาจารย์เล่นกันแบบนี้เลยพวกเราอ่ะบางทีเอาออกตอนตีหนึ่งอ่ะตอนตีสามบ้างนี่หลังจะดูหมอทั้งหมดเยนะเนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยเป็นการเชื่อที่ชิริกต่ออุสุพาน ห, หัวตานะขั้นอัลลอฮ์สั่งกับมหฮัมมัดให้มาบอกบอกว่าไง สิ่งที่ท่านเคารพบูชาอยู่ทั้งหมดนั้นที่เชื่อว่าจะนําลาบมานั้นฟาลายมลีกูนักชฟดุรยังคุมวลาตาวีลาอัลลอฮ์สั่งเองมุฮัมมัดสิ่งทั้งหมดที่ผูกคุณบูชาอยู่กราบอยู่และเชื่อว่าจะนําลาบมาให้เนี่ยบอกตรงๆว่าลายมลีกูนะพวกนี้ไม่มีอํานาจใดๆทั้งสิ้น กรชับุดรที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากตัวท่านได้สิ่งที่ท่านบูชาอยู่นะช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยนี่ยชิริกใหญ่มากเลยบาปใหญ่มากเลยฉะนั้นอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ในสุร้ออื่นในยะอื่นอธิบายว่าอินนัลลอฮะลายักษ์ฟิรูอุอิยูชรกาบิฮีแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่อาไ ม, ไม่อภัยโทษให้ คนที่ทําชิริกต่ออัลลอฮ์นี่ไปตั้งภารคีเนี่ยนับถือมะละอิกะนับถือผีนับถือจินนับถือนบีอีซาาละกันคิดว่าต้นไม้ต้นขนนต้นมะยมนําลาบมาให้ที่บ้านเนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้นี่นะเขาทําชิริกอย่างแรงไปหาโตัวตะเกียดด้วยนะครับทําชิริกอย่างแรงแล้วอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ในความผิดอันนี้ ฉก่อนตายต้องตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนตายต้องตบตัวต่อเจะอธิบายมีอายะต่อไปของวันนี้นะครับเอามาดูอายะที่หเจนะครับอุลย ER ิกัลลัดดอูนบตูนอลาบบิหมุลวซีละอลยิกัลล ลาวนี้หมายความว่าพระเจ้าย่อยย่อยอื่นจากอ AH ัลลอฮ์ลาวนี้อมันต้องโยงอายาที่แล้วนะพระเจ้าย่อยยยพระเจ้าที่พู้ท่านบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าพระเจ้าย่อยๆนี่นะลาวนี้ที่พวกเขาอัลลอฮีนัยะดาวนที่พวกเขาวิงวอนนั้น ยับตะูนอีละรอบีมุลวาสีละพวกมันมาถึงพระเจ้าย่อยๆนะก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าหาอัลลอฮ์เหมือนกันพระเจ้าย่อยๆที่บุคุณบูชานี่แหละพวกนี้ก็ต้องการอัลลอฮ์เหมือนกันเหมือนท่านนี่แหละแต่ท่านเข้าใจผิด คิดว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยท่านได้แตจริงๆนะสิ่งเหล่านี้ช่วยไม่ได้ไอ้สิ่งที่ท่านบูชาอยู่อาจจะเป็นต้นมายมก็ดีใช่ไหมต้นขนุนก็ดีที่นำมามาปลูกไว้หน้าบ้านประวัตสองต้นพันเนี่ยจะนำมาซึ่งลาภความเจริญให้กับครอบครัวของท่านบ้านท่านรู้หรือเปล่าต้นไม้ต้นที่คุณคารบบูชาอยู่เนี่ย คนมาเีก็เข้าหาอัลลอฮ์ด้วยเหมือนกันแสวงหาที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์เหมือนกันดวงอาทิตย์ที่คุณบูชาอยู่ก็กลัวอัลลอฮ์นี่แผ่นดินที่คุณดวงจันทร์ที่คันบูชาอยู่ดวงจันทร์ก็เชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคําสั่ง Allah. อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบูชาอยู่อิ่งโตงตะเกียโตตะเกียก็กลัวอัลลอฮ์เพเป็นคนแล้วก็ โตอะไรต่อโตอะไรอ่ะในสมัยนาบินว่าน่ ะ, นะมีพระเจ้าย่อยๆเต็มไปหมดก็คือคนธรรมดานี่แหละแต่เป็นคนซอนแหละเวลาตายแล้วเราไปที่กูโบของเขาไปกราบกูโบของเขาอย่างเมืองไทยก็มีโต๊ะตะเกียแล้วก็โต๊ะระยองอีกแต่ภาคใต้มีบ่ากูโบเนี่ยมีไหมทิยาลามใชเปาไม่มีนะหลังจะดีแล้ว อัลฮัมดูลิลแล้วนี่พี่น้องถ้าถ้าเข้าใจศาสนาเยอะๆนี่เขาเขาไม่กล้ากันเขาไม่เขาไม่ไปขอเดีขาไม่เขาไม่ไปพึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าในะคัมภีรอุร้านบอกว่าสิ่งที่มนุษย์บูชาอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้นี่นะก็ต้องการที่จะหาทางเข้าใกล้ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาเหมือนกันเอาต่อมาครับ ยาบตะหูนะอิละรับบิฮิมุลวาสิลัติดุวสิลสัตต์อัยยุห์มักรอปผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดหมายความว่าหาทางหาทางทำตัวให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ว่าใครจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ได้มากกว่ากันนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะแคนั้นเราต้องไม่หลง ตามปู่ย่าปูา่ยายตามปู่ย่าตายายพูดหลังปู่ใหญเนี่ยที่ชอบพาเราทําชีริกเยอะๆในพี่น้องอย่าไปทําตามมันจะทําให้ตัวเราเองนั่นเสียส่วนใยญยจะรู้ตอนไหนอ่ะหลังตายอ่ะพอตายเพิ่งจะรู้ว่าชีริกนี่มันเร็วกันขนาดไหนตอนไม่ตายรู้ไหมมันก็ต้องฟังศาสนาเยอะๆอ่าเอาต่อมาครับสิ่งที่ท่านบูชาอยู่รูปเจเวตอื่นๆพระเจ้าย่อยๆเนี่ยมันทําอะไรครับ วยรยูนารหมตะูมีอยู่สามเรื่องนะพระเจ้าย่อยๆยที่มนุษย์บูชาอื่นจากอัลลอ์เนี่ยอันที่หนึ่งพวกนี้สาะแงหาทางเข้าใกล้อัลลอ์นะข้อที่สองวยรยูนารหมะพวกนี้หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สองแล้ว อันที่สามวายคอฟูนะอาจะบะและกลัวการลงโทษของอัลลอ์มีอยู่สามรายการในอัลกุรอญญานอายาเนี้อัลลอฮ์เตือนให้รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์บูชาอื่นจากอัลลอฮ์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับภูเขาแม่นม้ำอย่างในอินเดียอย่าพวกฮินดูบปูชาแม่นม้ำคงคาใช่ไหม บูชาโตเตกียโตระยองนบีอินซานางมัตยามรวมไปถึงต้นบนต้นไม้อะไรก็ตามทิ้งทั้งหมดทั้งสามจิตล่ามาทั้งหมดนั้นต้องการอัลลอฮ์สามอย่างหนึ่งต้องการเข้าหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต า, าอัลา 2. ต้องการความเมตตาจากอ AH. ัลลอฮ์สกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลลอฮ์ไม่ไปนอกก็แล้วเนี่ย พออ่านพูอ่านแล้วเพิ่งจะหูตาสวา่างโอ้ยางนีเป็นตนอ่าทีนี้อินาจาบารบบกะนมามหูรแท้จริงการลงโทษของพระพุทธบาน <c oughs> ของท่านนั้นควรหน้าระวังมหูฮะรอยะหูหรือแปลวะ่าควรจะต้องระวังให้ดีเพราะการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นมีแน่ มีจริงๆเห็นไหม่าง น, นี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต้องการจะอธิบายคำว่าอายะอายานี้เนะี่อด ล, ลงมาทำไมครับเพราะว่าคนอาหรับวันที่นบีมุฮัมมัดเผยแผ่ศาสนาที่นครมักกะใหม่เนี่ยนะพวกอาหรับนี่ไปบูชายินไปบูชายินยางก็คนไทยเนี่ยวันนี้ก็บูชายินกันเยอะนะ บูชาจินไปน้องแล้วพวกเราก็สมัยก่อ น, นก็เอาผ้าแดงเนี่ยมาวางไว้ที่ไหนที่หัวเสาใช่ไหมลนะ่ะผ้าเขียวผ้าแดงเอามาวางไว้ที่หัวเสาแล้วก็บอกว่าไอ้ผ้าแดงนี่น่ยดึงอะไรนะดึงลาบมาให้กับครอบครัวก็เริ่กระปกป้องอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นนี่เป็นชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงเนี่ยคนที่นั่งกลางตอนกลางคืนดึกๆนี่นะแล้วก็มีนกบินมา ควคอ๋อนี่แหละจะทำให้คนในหมู่บ้านเราตายหรือคนบ้านเราตายนี่เป็นความเชื่อที่ผิดทั้งหมดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมจําซาบ้านะบีไม่ได้กำลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยมีนกบินมาเนี่ยนะมีนกบินมาไซนาอุมัดไซนาอุมัตนั่งอยู่แล้วก็มีซาบะอีกคนหนึ่งนั่งอยู่แลมีนกบินมา พอนกบินมางาชากูนี่บอกว่าคอยอนกตัวนี้บินมาจะนำลาบมาให้เซนาอุมัต์นั่งอยู่ละคอยรอวลาชัรอคุณฟังให้ดีนะนกไม่สามารถที่จะนำลาบและไม่สามารถที่จะนำเอาความเดือดร้อนมาให้คุณไปเชื่อแบบนั้นไม่ได้ใครพูดนะัยนานอุมัต์อลยรอวาเตือนเลยไปน้องท่านพูดหลักผู้ใหญ่ในพวกเราเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้แหละ จึงจบจะออกจากบ้าพอมันจบทักเป็นไงไม่ออกอะ่ะนี่เิริคยังแรงเลยพี่ น, น้องแล้วก็ทํากันในหมู่บ้านทํากันในบ้านแล้วก็ตัวคนโ ต, ต, ต, ต, ต, ตแก่ๆพูดนี่หลานเชื่อนะ่ะที่นบีพูดเลยมีใครเชื่อนะคุณบ้าอา่านบนสุขคนคุณบ้าเรื่องเชริกไม่มีใครเชื่อแต่โตพูดคําเดียวนี่หลานเชื่อหมดเลยอะอยนี่คืท่านต้องระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับ อาทินี้ตับงสิ์อธิบายบอกว่าพวกอาราบบูชาเนี่ยว่ายินแต่ผู้บูชาผู้กราบไม่รู้สึกตัวไอ้คนที่บูชาเนี่ยนะไปกราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เขาบูชาอยู่เนี่ยพวกนี้รับอิสลามกันหมดแล้วแต่ไอ้คนไปบูชาเนี่ยไม่รู้สึกตัวยกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น ต้องมีอักตีได้ในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับไปต้องทั้งหลายมามาอธิบายศัพนะอธิบายศั พ, นะศพคําว่าวาซีละเนี่ยวาซีล่ ah มีอยู่ ค, าคํานึ่งใช่ไหมในกุณอานเนี่ยวิลา ah รับบีฮิมุลวาซีล่วาซีล่แปลว่าสื่ออาวาซีล่ ah นี่แปลว่าสื่อไอสื่อนี่แหละเราเนี่จะต้องหาสื่อนะหาสื่อ ทำให้เราเข้าใกล้อัลลอ์ต้องหาสื่อครับสื่อก็คืออะไรพี่น้องครับทำอิบาดาทั้งหมดการทำอิบาดาทั้งหมดคือสื่อใครเชื่อแบบนั้นพวกซอฮาบานาบีพวกตาเบียอินอธิบายคำว่าวาซีลาก็คืออัลกุรบะทำตัวกล้าชิดกับอัลลอ์คือสื่อเอาอย่างนี้พี่น้องต้องการจะให้อัลลอ์รักท่านเยอะๆทำไง ต้องหาวัซีละต้องหาซือทีนี้ซือมีอะไรบ้างพี่น้องเอาใช่อะไรบ้างการเข้าใกล้อัลลอฮ์ด้วยกับการอัสลนมา์ทํานามาดเยอะๆนี่เขาเรียกนามาดอะไรนะตอนเจ็ดมงเช้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนามาดอะไรมีชุรุกใช่ไหมอิชรอฟเนี่ยไม่ใช่นามาดอิชรอฟเราเนี่ยเรียกอิชรอฟเป็นติดปากไปแล้วพิษ นามา ด, ดุฮาในเวลาอิชรอต์ต้องพูดไหมนามา ด, ดุฮาในเวลาอิชรอตอิชรอต์แปลว่าตะวันขึ้นสถานการนามา ด, ดุฮาที่ดีสุสดตอนที่อะไรนะตอนที่แดดกําลังร้อนใช่นะ่ะลูกหัวใช่ไหมที่เข้าไปสุกอยู่โคนขาของแม่ตัวเองเนะี่ยความร้อนจัดนะ่ะนั้นละเป็การนามาด วัตุที่ดีที่สุดแต่ความจริงนามา ด, ดุฮานี่ตั้งแต่ตะวันขึ้นประมาณสัก20สนาทีเนี่ยนะได้ถึงก่อนอะไรนะก่อนซุฮุรี่ได้เลยท่า น, นที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยนามาดอิชรอคนามาดอิชรอคไม่มีในหะดีสไม่มีแต่ถ้าจะอธิบายอธิบายอย่างนี้นามา ด, ดุฮาในเวลาอิชรอคอ่าอย่างนี้ถูกแปะเลยไปน้องนามาดอิชรอคไม่มี นะครับนมาสองหรือนมาสี่ความเพีงนมาที่เช้าเนี่ยนมาดูฮ้านี่ยไปนอนกันเริ่มเข้าตั้งแต่ตะวันขึ้นได้ประมาณสักยี่สิบนาทีก็เริ่มนมาได้เลยก็นมาอย่างนี้สิควรจะนำมาให้ครบแปเราต้องอ่ตอนตนะตอนตอนตอนตะวันขึ้นสักสองอ อ, อกไปทํางานทําการวันวนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพอเก้ามงนมาอีกสักสองใช่ไหม ไปทำนู่นทำนี่เป็นอาบมนมาตอน10โมงนมาศ อ, อีก2อหกแล้วเดี๋ยวไปทำงานอีกนมาตอน11โมงอีกได้8ปดกะกอดได้อลทัมดุรีแลนี่ไงวาซีละเป็นการแสวงหาหนทางเข้าใกล้อัลลอฮสุบฮานะฮูวตาแหละนะครับอาต่อมามีอะไรอะไรอีกใช่พี่นอ้องมีบาดด้าด้านอื่นๆอีอเอกเช่นทำดีกับพ่อแม่อันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นวาซีละทั้งหมด บริจาคเป็นวะซีแล้วแต่ต้องเนียดนะทำเพื่อให้อีมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ س ว ح ا ن ه และ تعالى ละตัดิมุลัยบะดาอิลลาบิลขาวะขามติบะตออีกวยะขาวูนอาดะบะวยะรูญะรหมะตือวยะขาวูนอาบะ ยาระยูนัลรัมมาแปลว่าอะไรหวังความเมตตาอธิบายอย่างนี้เวลาทำความดีทำความดีทุกชนิดตอนทำเนี่ยต้อง น, นึกฉันนี้นะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เหมือนอญยานี้ยาระยูนัลรัมมาจฮูนมา ด, ดุดฮะยกตัวอย่างวันนี้จะนมา ด, ดุฮาแล้วในช่วงเวลาอิสรอคยกตัวอย่าง ตอนยืนนมาดเนี่ยหรือก่อนที่จะมายืนนมาดใจต้องนึกฉันนมาดหวังความเมตตาจาก Allah แล้วต่อไปอีกวายคอฟูนาบะแล้วก็กลัวในการลงโทษของ Allah พอนอมาดด้วยหัวใจที่สองอย่างนะหนึ่งหวังสองกลัวหนึ่งหวังสองกลัว ให้อยู่ในใจเราทุกครั้งทีองอ่จะทำความดีอาจจะเอาเงินให้ให้ลูกเอาเรื่องให้เงินในภรรยาให้สักพันหนึ่งหรือสองพันวันนี้ก็ระจะมีงานที่ m อ v มทีวีใช่ไหม <c oughs> เอาให้ให้ภ ร, รยาไปเลยห้าพันไอตอนให้อหนึ่งอะไรนะหวังรางวัลตอบแทนจากอโลสองถ้าไม่เลี้ยงภรรยาน่ บ, บาปนะใช่ไหมล่ะก็ให้นึกอย่างนี้อโลพี Allah, ่น้องครับนี่เปการนึกที่นึกที่ถูกต้องที่สุด นี่ไงคุณอ่านมากำกับชีวิตของเราสองอย่างนะให้เลาหวังอะไรนะหวังความเมตตาของอัลลอ์แล้วก็กลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละนะครับนี่คุณอ่านอายะ น, นี้อธิบายดีนะอ้าวต่อมานะครับอายะที่หสิบปดว่าอิมิงกอร์ยตินอิลนะฮ์นุมฮลิกูฮา คำว่าอินเนี่ยแปลว่าไม่มีแปลว่าไม่นะอินเนี่ยแปลว่าไม่นะแปลว่าละในภาษาอาหรับนั่นลนะแปลว่าไม่มีไม่นะว่าอินมิงกอริยากอริยาแปลว่าหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านใดอ่าแต่นี้ตัฟซิดอธิบายดีคำว่าหมู่บ้านทีนี้ไม่ใช่หมู่บ้านมุสลิมหมู่บ้านคนที่ไม่เอาศาสนาหมู่บ้านคนที่ไม่เอาซุนนะนบี หมู่บ้านคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอ์ว่าไงนะอิ ล, ลเล้วนแต่นะฮุมลิกูฮเราเป็นผู้ทําลายมันไม่มีหมู่บ้านใดบนหน้าแผ่นดินนี้หมู่บ้านที่ไม่เอ า, าศาสนานั้นอันลลอ์จะต้องเป็นผู้ลงโทษคนในหมู่บ้านนั้น เห็นอย่างครับในกุรานนะอัลลอฮ์เล่นงา น, นหมู่บ้านที่มีอัศาสาศนาฉะานั้งการเล่นงานของอังลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สองอย่างใช่ไหมเล่นงานเนี่ยแบบเล่นราบไปเลยแบบอะไรเด็ดซีใช่ไหมเดดซีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีอะไรมาสอนนบีลูดแล้วก็คนในหมู่บ้านนั้นน่ะเขาทําอะไรเลวหรือถึงอังลลอฮ์ได้ ส่งนบีลูดมาสอนนะพระภูนี้พวกฮอร์โมนเซ็กชวลผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเองผู้ชายไม่เข้าหาผู้หญิงก็เข้าหาผู้ชายกันแล้วเป็นไงนะอลัลลอฮ์เตือนเตือนโดยการส่งนบีลูดลงมามาสอนอย่านะอย่านะอย่านะอย่าทำนะอย่าทำนะแล้วเป็นไงเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นไงครับเขาเรียกว่าอาดาบอ่าการลงโทษ ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยรู้ไหมตอนร่อนลงทั่วร่อส่งมลัยก้ามากี่องค์รู้ไ่มกี่องค์งาาองเดียวส่งมลัยกล้ามาองค์เดียวมาทํเราทำไมมาพลิกแผ่นดินเอาข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบ น, ข, งบนขึ้นข้างล่างออรอพี่น้องครับพลิกแผ่นดินตายหมดเลยอะ่ะนั่นอาดาบมีสองอย่างอาดาบอามใช่ไหม อาดาพรอมๆกันถูกหมดเลยกับอาดาปรายรายบุคคลการลงโทษของอลรรค์มีอยู่สองอย่างอาดาบอามกับอาดาปรายบุคคลอาดาบรายบุคลบบคลก็อย่างวันนี้แลเราเล่นอาดาบรายรายบุคคลนะไม่เอาศาสนาเนะี่ยเล่นทีละคนละคนละคนให้มันทรมานตัวในครอบครัวมันนั่นแหละทะเลาะ ก, กันอะไรกัน แจ้งกันหนั่นแหละอาสาอาสาเพราะเดี๋าบอินฟิลดีอาสาบตัวเล่นเนี่ยที่ทีละคนละคนละคนละคนฉันถ้าไม่อ่านก็อ่านไม่รู้ถ้าอ่านก็อ่านเพ่งจะรู้เอางงเนี่ยเอาล้อเล่นงานเราอย่างนี้นี่แอย่างที่เซนามีครั้งที่แล้วเนี่ยนี่อาสาบอาร์มใช่ไหมปุ๊บ <c oughs> โอ้หครั้งเดียวได้ใช้หานเรียบร้อยหมดตายเป็นแสนแล้วก็ตอนนี้อาสาลาย ลายบ้านรายบุคคลที่ละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนะคนทางวัรู้สึกตัอหรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวก็นึกว่าเป็นภัยธรรมชาติก็ปล่อยไปใช่ไหมแต่คนที่อ่านอัลกุรอานนั้นมีอาซาบนมาในครอบครัวเราต้องต้องนึกเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแค่ลูกไม่สบายแล้วก็ต้องนึกแล้วเอ้ยน้าผมนั่นนึกทุกทีเนะไอ้เงินที่เข้ามาถูกหรือเปล่าเนี่ย เอ๊เดีเมียใหมสบายลูกไปสบายต้องนึกให้วิธีแก้เตี๋ยไปเอาของฮามเข้าบ้านต้องนึกเลยพี่น้องนะถ้างั้นเราอ่านเราอ่านเราอ่านคูอ่านทำไมไม่มีประโยชน์ไปอ่านคูอ่านเพื่อมากํากับชีวิตเราดูแลตัวเรานะครับอ้าวต่อมาครับนะฮนโมฮลิกูฮะเราเป็นผู้ทำลายอัลลอฮฺเห็นอย่างครับ ท่านปัญหาที่เกิดเกิดเกิดนะั้นบางทีอัลลอฮ์ o, ส่งคนมาทําลายการที่อัลลอฮ์จะเล่นงานเราก็ส่งคนมาทําลายเราส่งคนนี่อย่างเนี้ยอย่างประเทศซีเรียนะเราแค่ซีเรียเ น, นี่ยนะนี่อัลลอฮ์ทั้งหมดนะมาจะว่าเกิดขึ้นในความบังเกิดเนนะี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์สำร็จทวษหมดแล้วถูกถูกถูกถูกถูกถูกถกถกนึกตัวหรือเปล่า สำนึกตัวกันป่าถ้าสำนึกอีหมานมันก็เพิ่มว่ะใช่ไหมถ้าไม่สำนึกอีหมานก็ลดก็ทะเลาะกันต่อไปอีกถ้าอีหมานถ้าสำนึกตัวนะอีหมานโอชันนี่ผิดอะไรหรือเปล่าลอเราจะลงโทษชนถึงขนาดนี้ต้องนึกการไปต้องอย่างไรเอาต่อมาครับกอบเลยาอูมิลเตียมะก่อนถึงวันตี亚马แสดงว่าอารออเล่นงานก่อนตายใช่หรือไม่ใช่ อาดาบนหนึ่งการทรมานมีสองอย่างหนึ่งเล่นงานแบบอาวามแบบอามกับเล่นงานวันบายวันตัวต่อตัวหรือไม่ก็อัลลอฮ์ให้ตายแบบธรรมชาตินี่แหละแต่เป็นการตายที่ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูบานาแล้พี่ต้องอย่าลืมนะคนที่ตายนี่น่ะอัลลอฮ์มันไส่เลยจให้ตายน่ะ ดูดิให้อายุมันเจ็ดสิบแล้วมันยังไม่ตาบ้าตัวเลยให้อายุมันเจ็ดสิบแล้วยังไม่ตาบ้าตัวต่วออัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ก็เอาเอาให้ตายพอเอาตายพอเอาวิญญาณออกไปบ้างเนี่ยมึนงนึกว่าตายแล้วจบแล้วไม่ใช่พอตายแล้วเพิ่งจะรู้โอ้ยฉันนี่พลาดแล้วตายเพิ่งจะรู้สึกตัวในมีฮะดีอสีฮะดีสหนึ่งเป็นฮะดีสสี่น่าจะเก๊เก๊นิดนิดนะ อิรามาตุอินตาบาูคนเวลาตายแล้วเพิ่งจะตื่นเวลาตายเพิ่งตื่นอิรามาตุอินตาบาหูพอตายเพิ่งรู้เอ้ยตายจริงไงอ้ายูจะมีอยู่หลายคำเวลาคนตายพูดตูนัยกูโบพูดว่า ง, งี้รูบามายาวัดดุลลาดีนกกฟาหูลาวากานูมุสลิมีน บ่อยครั้งเหลือเกินคนนอนอยู่ในกูโบเนี่ยตอนตายเนี่ยบ่นว่าอย่างนี้ถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีเสียนี้กับอะไรเป็นบ่นทําไมอ่ะแสดงว่าตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เล่นงานเล่นงานแบบเบาๆแต่พอตายแล้วเล่นงานหนักกว่าอยู่บนโลกดุนยาอีกเห็นไหมอิดามาตูอินตาบหูเวลาตายแล้วเพิ่งจะตื่นอ่ะเพิ่งจะหูตาสว่างอ่ะ อลลอฮ์ Allah, ท่านนมาต์ก็ดีอยู่ในสุนนะของท่านนาบีก็ดียึดนบีเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างก็จะดีไปนึกตอนตายมีประโยชน์อ ะ, อะไรไปนองครับอ้าวต่อมาครับอูมอัิบูฮาอาดบันชะดีดหรืออัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาลงโทษพวกมันด้วยการลงโทษอย่างสาหัส ตรงนี้อธิบายว่าลงโทษเป็นรายรายอ่าพี่น้องลงโทษเป็นรายรายเป็นรายบุคคลนะพี่น้องทั้งหลายถามว่าอัลลอฮ์ลงโทษทำไมอ่ะสาเหตุที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยนะเพราะคนเหล่านี้บิซูนูบิบซาบบิซูนูบิหิมวาคอตอยาหุมสาเหตุเพราะพวกนี้ทำบาปหนึ่งทำชีริก ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ไปน้องนี่อัลลอฮ์เล่นงานหมดว่าขอต่อยาหุมแล้วกว็ความผิดด้านอื่นๆอีกไปน้องทั้งหลายถ้าถ้าไม่มีโทษนะถ้าไม่มีบาปอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเนะี่ยนี่เป็นคําสัญญาของอัลลอฮ์ท่านคนที่ทํำบาปเยอะๆไปน้องครับรอการลงโทษจากอัลลอฮ์สุภานหนะฮุบด่าละนี่ผมนึกถึงที่คงเคนต์เนี่ยเนี่ยมีคนอยู่คนฆ่าคนตายนี่ถูกจับแล้ว ทุกชับพี่น้องหนีมาตั้งหลายเดือนนะไม่เคยทุกชับด้านเดินเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามา่นไส้กันอยู่ตั้งนานแล้วเรียบร้อย ไ, ไหนี่อาสาบุญยานะ่ะอาสาบุญยานะพี่น้องนะไม่นักเท่าไหร่นะพี่น้องครับแต่อาสาบไม่ลกูกอาวีร้อนหนักกว่านี้ตั้งเยอะพี่น้องครับแค่นั้นความผิดเนี่ยเราทําเองอ่ะ นะครับที่ถ้าเราสนใจาศาสนาสักนีดหนึ่งนะปัญหานี้มีไหมไม่ไมีนครับดูลิละนะใกล้กนหมดลถามว่าเรื่องการลงโทษ ร, รายบุคคลเรื่องการลงลงโทษ ร, รายตัวหรือว่าลงโทษเป็นหมู่คณะหรือทางทางประเทศนี่นะอัลลอฮ์กำหนดมาเมื่อไหร่หรือว่าเกิดขึ้นโดยความบังเอิญอายะวักสุดท้ายกาน า, าลิกะฟิลกิตบิมัสปูร าากาาากบฟิลกิตามสตูรมันได้ถูกบันทึกมัสตูรแปลว่าถูกถูกบันทึกฟิลกิตาอยู่ในคัมภีร์คำว่าคัมภีร์ที่นี่หมายถึงลาวิมาโฟสอยู่บนชานฟ้านู่เรื่องจะลงโทษใครจะเล่นงานใครอัลลอฮบันทึกเอาไว้แล้วอยู่ที่ไหน ไม่ใช่การพิจารณาอยู่ในเลาให้มาฟูแผ่นจารึกที่ถูกบันทึกไว้ต้นฉบับฉบับเดิมของกุรอานอยู่ข้างบนนุลากิลมาฟูดกำหนดไวแล้วจานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ น, นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญทั้งหมดนั้นเป็นไปก็จะว่าตักดีของอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวาตาลา พี่น้องครับอยากให้อิมานเนี่ยอยู่ในใจเราเยอะๆพี่น้องอิมานหกข้อเนี่พี่น้องอิมานหกข้อเนี่อธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่างงี้สามข้อเอาไว้ไหนในใจและอีสามข้อเอาไว้ข้างหน้าวางไว้ข้างหน้าเลยเอา้าวสามข้ออะไรบ้างหนึ่งอิมานต่ออัลลอฮ์สองอิมานต่อมาลาอิกะ สา ม, มา ي แต่กดกอดอรกอรดของอัลล์เอาไว้ในใจแล อ, อธิบายอย่างนี้เราเนี่ยจะทำอะไรก็ตามแต่ต้อนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้อัลล์ยินที่นั่งฟังตับเสดอยู่วันนี้แค่นี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีแค่นี้เนี่ยนะบางวันก็มีเป็นร้อยอัลลอฮ์รู้แล้วว่าวันนี้มีคนฟังตับเสดแค่นี้ไม่ใช่เกิดขึ้น้ดยความบังเอิญพี่น้อง อันหนึง่งอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยนินแต่อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่บนบนลัลลังอยู่บนอาราชของอัลลอฮ์แล้วก็บัลลังของอัลลอฮ์น่ะเล็กหรือใหญ่เท่ากับชั้นฟ้าอะไรแผ่นดินนี่อัลกุรอานอธิบายเ่ยอายะคุรี่อัลลอฮลาล่านอนตังแต้นแล้วก็แปลด้วยเป็นองจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนนูนชั้นฟ้าแต่ว่าความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอยู่ทุกหทุกแห่ง อลัลลอฮ์ทรงเห็นอลัลลอฮ์ทรงรู้อลัลลอฮ์ทรงทรงได้ยินยังไม่พอครับอีมานข้อที่สองคือมัลาอิกาเอาไว้ในใจไปน้องมัลาอิกาทรงบันทึกเนี่ยบันทึกเรื่องของเราทั้งหมดต้องนึกแบบ น, นั้นอีมานข้อที่สามก็คือกบบกอดัดของอัลลอฮ์นี่ไงการลงโทษของอัลลอฮ์การเจ็บไข้ใดป่วยความสุขความสบายความร่ํารวยมีสุขภาพแข็งแรงคล้ายให้อะ อัลลอฮ์ให้ต้องนึกแบบนี้นี่สามข้อเนี่ยต้องเอาไว้ในใจ1อึมา إ ต่ออัลลอฮ์สองอมา م ต่อมัลลอิกะสาม إيمان ต่อกฎกฏอ่อกฎดัเอาไว้ในใจอีก3ข้อเนี่ยอะไรบ้างคำภีอัลกุรอานวางไว้ข้างหน้าพี่น้องเราก็เปิดดูทุกวัน2 4 4 5รูซูลีฮีเอาลสุนะนาบีมากำกับชีวิต อ้าวหาวทำยังไงจะข้าวห้องน้ําทํำยังไงจะร่วมหลับนอนกับภรรยาอ่านอูอาบทไหนต้องนึกจะออกจากบ้านอ่านดุอาบทไหนเนี่ยจะยืนสองสองกระจกอ่านอูอาบทไหนดีเอาซุนานะนบีมากํากับชีวิตนะครับข้อที่ห้านะข้อที่หกวันเยาวมิลอาคเคสวางไว้ข้างหน้า ทำอะไรที่เป็นความดีทุกชนิดต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคีร์บางคนทําความดีผลลบุญไม่ถึงอนะัลลอฮ์น่ะทำไงรู้ไหมทำอย่างนี้ทําความดีเพื่อการโอ้ปวดทําความดีเพื่อการโอ้ปวดนะไม่ถึงวันเตี่ยมั้งหลังตายไม่ได้รับความดีตอบแทนอัลลอฮ์ให้บนโลกลุยยาใบนี้เลย นำมาให้คนเห็นบริจาคอวดคนให้คนรู้อยู่ในใจเลยไม่ใครรู้หรอกพี่น้องอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ไหมให้เลยพี่น้องแต่พอตายแล้วจบไหมจบฉะนั้นอาคิราอพี่น้องครับคําว่าศรัทธาต่ออาคิราะหมายความว่าทําความดีแล้วก็หวังรางวัลในโลกอาคิราอคือตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮ์ต้องคิดบัญชี ต้องถูกสอบสวนมีรางวัลตอบแทนจากเานึกอย่างเนี้ยบ่อยๆพี่น้องตัวเองก็จะถูกประคองด้วยอะไรนะโดยคำสั่งของอัลลอฮสุลตานะละหกข้อพี่น้องกอๆนะอ้าต่อมาครับ <c oughs> อายะห้าสบเกนะว่ามะมาอานา أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا ไม่มีสิ่งใดมนาแปลว่ายับยั้งไม่มีอะไรมายับยั้งนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะ ไม่ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งฉันได้ไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยนะจะมายับยั้งอลัลลอฮ์เนี่ยให้ทำอะไรครับอันนุสซีละที่เราจะส่งพี่น้องอันที่ล์จะส่งนะที่จะประทานให้เนี่ยไม่มีใครมายับยั้งฉันได้ถ้าฉันจะให้เกิดอะไรเนี่ยไม่มีใครมายับยั้งได้เวลาอลัลลอฮ์จะให้มี ของดีๆเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ก็ไม่มีใครที่จะมายับยังฉันหรือจะให้มีอาดาบมีการลงโทษก็ไม่มีใครมายับยังจะได้บิลอายนะครับสัญญาณต่างๆ mm hmm. ไปต้องครับมาอธิบายคาว่าสัญญาณก่อนสัญญาณเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะสัญญาณอายะอัลกุรอานนี่ยอายะเนี่ยที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยในคัมภีร์กูรอ่านมีทั้งหมดกี่อายะนะ ห6พันหกร้อยหสบหกอายาหกหกหกหกเลยหหมดเลยหกพันหก้อยหกสิบหกอายาในการิจารานั่นน่ะอัลลอ์ส่งมานะ่ะอัลลอ์ทยอยส่งมานะ่ะทีละอายาบางทีละสองอายาบางสิบอายาบางผ่านยิบรีนมาให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลแลลีมุสลมแต่ตนนบีนบียังมีชีวิตอยู่นั่นอายา รายการที่หนึ่งอายารายการที่สองนี่ตน้นไม้นกกลาลังร้องอยู่นี่ภูเขาแผ่นดินชั้นฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่เป็นอายาสัญญาณที่อัลลอ์ให้มาและอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์พี่น้องเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ย อ, อย่างสึนามิอย่างสึนามิเกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาณนะเป็นอายาตนะ แล้วก็อนญยาที่เกิดขึ้นต่างๆในบ้านเราบ้างอยู่ข้างนอกบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีก็ตามท้งหนดนั่นเป็นอาญาทั้งหมดพี่น้องหลายถามว่าให้มาทำไมอ่ะให้มาเพื่อเราจะได้ใช้ปัญญาให้ปัญหามันเกิดขึ้นเราจะได้คิดจะใช้ปัญญาพี่น้องหรือไม่ก็ให้เรากลัวบ้างพี่น้อง อย่างสึนามิมาเนี่ยกลัวเป่ากลัวได้ปัญญาไหมได้แล้วก็ที่ดีกว่าก็คือว่ามัสยิดหลังหนึ่งไม่ได้นะไม่ไม่พังอะ่ะแต่ ร, บรอบๆนะพังหมดเนี่ยได้ได้ปัญญาเต็มเลยอัลลอฮฺแสดงว่าอัลลอฮ์รักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไวใช่ไหมในบ้านธรรมดาเนี่ยเตือนหมดเลยเพราะอะไรเป็นข้อเตือนกันเป็นข้อเตือนพี่น้องทั้งหลาย โอ้เป็นองกับสัญญาณทั้งหมดที่อลัลลอ์ให้มานั่นมุมินต้องได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอลัลลอ์นี่อย่างใครนั่งอยู่กับผมนี่ภรรยาตายน่ะนี่อลัลลอ์ให้เกิด น, นะอิบรอฮิมนั่งอยู่ข้างผมภรรยาตายเนนี่เป็นอาลามะนะตายทำไมอ่ะนี่มันต้องนึกนะ นั่นจะนึกอะไรก็ตามต้องต้องนึกสองอย่างนะหนึ่งกลัวอัลลอ์สองหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah. อัลลอ์อต่อมาครับอิลล์อันคัลลับบิฮะเลออวัลูนเว้นแต่พวกมันสมัยก่อนๆได้ปฏิเสธคือไม่ยอมรับอธิบายอย่างนี้ทุกสิ่งทุกสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างกูอ่านทั้งเล่มเนี่ยมีทั้งหมดห6 0 0อกว่า อ ส, สัญญาใช่ไหพวกสมัยก่อนนั่นหรือคนปัจจุบันนี้ปฏิเสธหมดใช่หรือไม่ใช่ใชใชปฏิเสธของมูฮัมหมัดนำมาฉันไม่เอาของตัวยอ่อนนำมาฉันเอาอของนบีนำมาฉันไม่เอาก็น่าไมของตัวยอ่อนนำมาของฉันอันนี้มันถูกต้องดีอันนี้สัญญาอื่นๆอย่างเซิรนามิมาอีมานบางคนไม่เพิ่มกับลดก็มีอ่ะ เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาไงพี่น้องคนคาเฟ่ตมองว่าออไทยภายธรรมะชาไม่ได้เคยนึกเลยว่านี่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนมาอัลลอฮ์ส่งมาด้านหนังสือพิมพ์พี่น้องครับถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยกับหนังสือพิมพ์ของของของมุสลิมที่เขาที่เขาเขียนมุสลิมพี่น้องยังแค่แค่ในอินเดียเนี่ยพี่น้องอีนมุสลิมมีหนังสือพิมพ์บางฉบับของมุสลิมคุมเนี่ยนะพี่น้องเขามี อายะเนี่ยอยู่เนี่ยอายะคุรานพี่น้องอยู่ด้านขวาแล้วก็ฮะดีสอยู่ด้านซ้ายพี่น้องภาษาอุรุนะ่ะผมซื้ออ่านประจําลยนะเพราะเราเนี่มีอายะเตือนคุรานแต่มีหะดีสเตือนสรุปแล้วว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ที่ออกนะ่ะมีข่าวอะไรบ้างเขาจะมาสรุปด้วยอายะอัลกุรอานหนึ่งอายะกับหนึ่งฮะดีสพี่นอ้องอิหมามันเพิ่มไหมเพิ่มอ่านข่าวอิหมาเพิ่ ม, ม, ม, มแต่หนังสือพิมพ์อย่างนี้มีกิจฉบาับในโลกนี้ไม่มี ไม่มีเลยอ่าเพราะฉะนั้นอ้ายนี่อัลลอ์เล่านะไม่มีสิ่งใดมายับยัง้งที่เราจะส่งสัญญาณต่างๆเว้นแต่พวกมันคนในรุ่นก่อนๆรู่สมัยนี้ด้วยนะปฏิเสธมันคือไม่ยอมรับว่ามาจากอัลลอ์สุภานหนาวตาลาวพี่น้องครับมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วคนไม่ยอมรับพี่น้องครับเป็นอย่างนี้ น บ, บีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ให้มีความสามารถทำอะไรรู้ไหมซักคาร์ลบาห์ให้แยกน้ำทะเลนั่นเป็นเป็นอะไรเป็นมัอจีศาสนะคำว่าอาญาหมายถึงมั่งอจีศาสด้วยก็ได้นะอัลลอฮ์ได้ส่งมัอจีศาสมาผ่านนาบีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้พออัลลอฮ์ส่งมัญญ่งอจีศาสมาสัญญาณมาเนี่ยแทนที่พวกนี้จะมี إ ي م านเพิ่มไม่เพิ่มกับ ทรยศต่อตอัล์ต่อนบีอาเช่นนบีมูซาอัลลอฮ์ส่งม่วงดีตมาทําให้น้ําทะเลแห้งนบีมูซากับพรรพวกเดินข้ามทะเลผ่านไม่ผ่านพอฟาโรห์มะตายน้ําท่วมนี่เป็นม่วงดีษอาต่อมาครับนบีอีสาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ให้ม่วงดีตอย่างหนึ่งก็คือทําให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ มาพูดคำสองคาแล้วตายตองอ่ะมอีฬารไปน้องแต่ที่พอส่งมาเนี่ยแทนที่พวกนี้จะเชื่อไปน้องอลัลลอฮ์กับเล่นงานนาบีอิสานาบีอีสลาไปนา้ อ, นองกับอีกข้อหนึ่งนี่นะใครที่ตาบอดตาบอดตาบอดมาหาท่านเนี่ยรักษาหายอ่ะจะรักษาแบบเอามือลูบตาหรือเป่าแล้วก็ไม่รู้วิธีเราไม่รู้นะ แต่ว่าสามารถทําให้ตาบอด น, นตาดีได้มีประมาณสามสี่สิบคนที่ตาบอดในเมืองนั้นวันนั้นน่ะมหานาบีมูหันาบีไอซาอิสลมามนบีอีสาก็รักษ า, าหวังว่าจะเอาคนที่ตาบอดเมื่อตาดีแล้วจะได้เป็นพวกได้มาทํางานาศาสนาต่อไปไม่มีใครสักคนหนึ่งเข้าข้างนาบีออซาพี่น้องเห็นยังแสบขนาดไหนและเจ็บขนาดไหน เนี่ยเอาลอทดสอบหน่อยไปให้ทไีพวกเราฉันเลิกแคลงงานดาวะเลิกทำไมอ่ะให้คนนี้มารักษาให้หายแทนนี่จะมาเป็นพวกลับเป็นศัตรูต่ออีกกำลังใจหมดไหมหมดครัเพี้ยทั้งหลายถ้าท่านนาบีพี่น้อนี่เป็นสัญญาณนะพี่น้องใช่ไหมสัญญาี่อลัลลอฮ์ให้มามุอาฮิซาที่อลัลลอ์ให้กับนบี แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาต่อมาอีกก้อนหนึ่งอายะนี้ตการายอธิบายอย่างนี้นะครับมีวันที่นบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่ที่ตะรมักการไหนไปน้องแล้วก็พวกอาหรับอาพวกอาหรับมุสลิกินเนี่ยมาขอร้องนบีมุฮัมมัดเอ๋ยท่านนี้น่าเล่าให้เราฟังนะ บอกว่านบีมูซานะ่ทำให้น้ำทะเลแห้งได้ก็การเอาไม้ตอพดตีบริณน้ำน้ำแห้งนบีมูซากับ พ, กพวกกับนะพวกบริอิสรอีนข้ามทะเลปลอดภัยแล้วต่อมาพวกฟาโร่ลงจมน้ำตายท่านอธิบายให้เราเข้าใจเราเราเห็นหมดแล้ววันนี้แล้วก็นบีอีซาทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใช่ไหม วันนี้ฉันขอจากท่านให้แสดงอะไรบ้างให้เปลี่ยนภูเขาโซฟาและมารว่าแต่พี่น้องไปทำพัดเดินเดินสาย อ, อยู่นี่นะให้เป็นทองคำนี่ขอร้องนบีพี่น้องพวกอารับฉันจะได้อีมานต่อลอจะได้เชื่อว่าท่านนี่นะเป็นนบีจริง แล้วก็คำสอนที่ท่านนำมาจากอัลลอ์เป็นเรื่องจริงให้ทําภูเขาสองสองลูกเนี่ยซอฟ้าและมารวาเนี่ยให้เป็นทองคำเลอ้าเห็นงานเป็นทองครับนี่ไงงานของนบีนหนักหรือว่าเบาหนักนบีขอทูา อ, อาลลยาอัลลอฮ์นี่ยิบรีลงมามาบอกว่ามุฮัมมัดเอออัลลอฮ์ได้ยินหมดแล้ว ที่พวกคุณคุยกันข้างล่างนะข้างบนได้ยินหมดแล้วที่เขาขอร้องให้ภูเขาโอฟามารู้ว่าเป็นทองคำนะอัลลอฮฺได้ยินแล้วส่งยิบรีลมาบอกอัลลอฮฺให้ข้อแม้อย่างนี้อินนีสเมียตุลละดีกอลูนี่ละดีพูดเองนะ <laughs> ฉันได้ยินที่ภูเขาเจรจากระทานนะดีฟะอินชิตอันน้าฟ้าลละดีกอลูถ้า al หากประสง อยากได้ทองจริงๆใช่ไหมฉันก็จะให้ภูเขาซอฟาและมาราวานเป็นทองคำคุณก็ต้องไม่เหนื่อยเลยถึงเวลาก็ไปเอาทองมาแล้วก็มาขายแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมเงินเงินทองเยอะเนี่ยขายวันละกิโลรู้เปล่าตอนนี้ทองโลละหนึ่งล้านห้าแสนวันนี้นะลงละเมื่อวานลงเหลือหนึ่งล้านสามแสนห้ทองทองแท่งทองแท่งนะเวืนอนทีนี้ ถ้าหากว่าใครทรยศต่ออัลลอฮ์สักหนึ่งคนนะอัลลอฮ์เล่นงานเลยถ้าหากฉันทําให้ภูเขาโอฟาละมารว่าเนี่ยเป็นไรนะเป็นทองคําถ้าใครทําผิดถ้าใครทรยศต่ออัลลอฮ์ฉันจะเล่นงานลงโทษทันทีทันใดเลยถ้าหากไม่เอาฉันจะเปิดประตูเตาบาและรอหมะให้กับท่านเอาเลือกเอาจะเอาอย่างไง โอ้ไปน้องเอาเอาไงถ้าหากไม่ให้ภูเขาซอฟามารวาเป็นทองคําสิยงที่อัลลอฮ์ให้ก็คือใครทําผิดอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแต่ให้อะไรนะให้เตาบาให้ประตูเตาบาให้ประตูราะมะสองประตูเอาเลือกเอาถ้าทําผิดเตาบาตัวเสียใจลูกก็โทษกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ได้ราะมะจากอัลลอฮ์เอาหรือไม่เอา ถ้าไม่เอาก็ได้ให้ทองโซฟามารวาเป็นทองคำทั้งหมดใครทำผิดเล่นงานเลยเอาไง ม, มัดประกาศมัดยืนประกาศนี่อันนี้เนี่ยวะฮีมาใช่ไหมพอยืนประกาศปั๊ไม่มีใครเอาอะนบีก็ฉันก็ไม่เอามันกันถ้าให้ภูเขาโซฟามารวาเป็นทองคำแล้วก็ใครทำผิดเล่นงาน ฉันไม่เอานบีก็ไม่เอาถามชาวบ้านไม่มีใครเอาสักคนหนึ่งกลัวนี่อยายะนี่ต้องกาะอธิบายว่าว่ามาหน้านาอันนุสลิรบิลอาญาไม่มีใครมายาพยังฉันหรอกถ้าฉันจะส่งสัญญาณเป็นมั่วอจีสาต่างๆลงมานะ่ะไม่มีใครห้ามฉันได้ต้องการจะอธิบายว่าคนรุ่นก่อนนั้นต้องการความสบายต้องการจะให้นบีมูฮัมมัดสแสดงฝีมือว่ามีมั่วอจิสาอะไรบ้าง พี่น้องครับมุ่งจีดจัดผ่านนาบีสามร้อยสามร้อยกว่ามุา่งจีดจัดนะพี่น้องนะไอ้ น, นี่กันอีกเนี่ยทหารทหาเป็นนะทหากว่าเป็นให้โซฟาเรามารูว่าเป็นทองคำไปนี่ตายหมดแล้วซาอุดีมีไหมไม่มีไปตุรกีมีไหมไม่มีเรามาถึงไปใช่ไหมอาหม้าวมุ่งจีดจัดที่ผ่านนาบีพี่น้องก็พาเดือนน่ะพาเดือนเดือนแยกกันอย่างนี้ เดือนแยกแล้วพิสูจน์ได้ยังไงครับตอนนี้ตอนที่อเมริกาส่งอะไรนะดาวเทียมขึ้นไปไปเห็นรอยแตกบนดวงจันทร์อ่ะเห็นรอยแตกเลยว่าโอ้เนี่ยมันเคยแยกกันมานี่น้อพอเห็นอย่างคนอิหมานวันนั้นเยอะมากวันที่นาะบีผ่าเดือนในะเหตุอิหมานก็เยอะพี่น้อง วันนี้ต้องการจะให้คนรุ่นนี้ إ ي م านต่อรอดนะครับไม่ต้องเอามาเอาเดือนมาแยกแล้วเล่าเรื่องพ่าเดือนให้คนรุ่นใหม่ฟังไม่ต้องมาแยกใหม่แล้วไปน้องแล้วก็น้ำํำไปน้องสังเกตนะนบีมุฮัมมัดอาบน้ําบะมุมมดเนี่ยทหารนไปมีเป็นร้อยไปน้องมีน้ำอยู่นิดเดียวเนี่ยทําไงนบีเอามือแหย่ลงไปไหนในอะไรนะในกระป๋องเนี่ยน้ํามันไหลเห็นเลยน้ําไหลออกมาจากมือนบี إيمان เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเนาะเนี่ยมุ่งมิจฉาที่อัลลอฮ์ส่งมาผ่านนบีมุฮัมมัดมอัออลลอฮ์เราอยู่กับศาสัาคนอิมานมันเพิ่มขึ้นวันนี้จะให้มว่งมิจฉาผ่านมือพวกเราอย่างนี้เราอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่แล้วไปเนองแต่ให้อะไรนะให้นําเอาเรื่องของนบีมุฮัมมัดที่เอามือมาแล้วก็น้ําไหลามาให้คนรุ่นใหม่ฟัง แล้วก็เล่าดยมีใครจะใครเห็นบ้างมีจยิ่งมีชื่อด้วยอ ي มานมันยิ่งเพิ่มคนรุ่นใหม่ก็เชื่อจะอ ي มานต่อเนาะสุภาเนววดานะตกอกจะอธิบายนะครับบอกว่าวามานะอานุสติละบิลอาญาอิลลางคัตザบะบิฮัลอัวัลตอมารับว่าใจน่าสมุดนะก็จะมุบะซีรอ มวดยิ่าตอีกอย่างหนึ่งที่อลัลลอฮ์เล่านะเราได้ทรงอูดอี่เป็นมวจิ่าตนะเพื่นน้องนะทรงอูดมาตัวหนึ่งเป็นอูดตัวเมียพี่น้องนาก็เนี่ยอูดตัวเมียให้กระขายพวกสมุรอ่าพวกสมุรสมุดเนี่ยนบีใครนบีซอลหลพวกสมุรคือนบีซอลแหละเราเนี่ยพวกนบีมุฮัมมัดอ่า เราในพวกของนบีมูฮัมหมัดก่อนหน้านบีมูฮัมหมัดมีนบีซอแร่มาคนหนึ่งหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านสมุติอัลลอฮ์ให้มุอะยิตผ่านนบีซอแร่ก็คืออูดไปน้องรู้ไหมพวกนี้มันขออะไรขอให้อูดออกมาจากภูเขาให้อูดเดินออกมาจากภูเขาเป็นมุอะยิฎพวกนี้สแสดงอะ่ะมะซอแร ถ้าท่านเป็นนบีจริงอยันท่นอยากเห็นอูดสักตัวหนึ่งเดิน ม, มาจากภูเขาเนี่ยแบบเดียวกับคนอาหรับข อ, อนบีมูฮัมมัดถ้าท่านเป็นนบีจริงอยากจะให้อะไรนะภูเขาซอฟามารุวะเป็นท้องค<ำ>ํนานบีรุ่นก่อนก็ถูกท้าเหมือนกันเอ้าเอาเอ า, เอาถ้าท่านซอแร่เป็นนบีจริงเอาอูดออกมาเดินออกมาจากภูเขาหน่อยได้ไหมอลัลลอฮ์ให้อ่ะนี่ไง มวยดีษฎ์ผ่านนาบีสุลแลห์พอเดินออกมาป้าพี่น้องมุบซื้อรอท่านเห็นกันด้วยตาชัดๆเลยพี่น้องเห็นกันอย่างนี้เลยนะกำลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยอูดเดินออกมาพี่น้องครับพอเดินออกมาแทนที่จะมีอีมานท่อที่จะเชื่อนบีซอลแลห์ครับว่าฟาโรละมูบีฮะพวกเขาได้ทารุนได้ทรมาน อูดที่เดินออกมาจากภูเขาหเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้คือมนุษย์เห็นอย่างดือ้อนะ่าดูเลยทั้งดือ้อสารพัดวันนี้สุนารนาบีไปทั้งของนบีมูฮัมหมัดไม่มีใครยอมรับอ่ะแอนตี้กันเยอะแต่คนก็ยอมรับกันก็เยอะพี่น้องครับที่แอนตี้ไหมไหมคนที่เสียเสียประโยชน์มันก็แอนตี้นะพี่น้องครับฟาโรลโมบิฮาอะไรนะพวกเขาได้นะได้ทรมานมัน เห็นไมเรือ่องส่งมาจริงๆกับแกะวัวน่ะไปทําให้ขาหาักบ้างวัวไอ้อูดน่ะอูเสอูตัวนี้ทุทุกทรมานไปน้องประวัติของนบีซอลเลาะห์เดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังยาวไปน้องยาวยึดเลยไปน้องอัลลอฮ์เล่เาให้ฟังว่าอัลลอฮ์ส่ง น, นบีซอลเลห์มาพร้อมกับเอาอูดตัวเมียตัวหนึ่งออกมาจากภูเขาและเป็นไงพวกนี้ทรมานอูดตัวนั้นอ้าวต่อมาครับ จบว่ามานุรสิลาบิลอายาติอิลลัตัควีฟะอัลลอ่าเล่านะเรามิได้ส่งสัญญาณต่างๆมาเพื่ออื่นใดเรามิจะส่งมัจิศาสเรามิจะส่งอัลกุรอานเราไม่ได้ส่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะเพื่อ อ, อื่นใดอิลลัตัควีฟะ เว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสำทัพเป็นการเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนให้ชายสมองให้ชายปัญญาอีหมานมันจะได้ไันจะได้เพิ่มขึ้นนะสำหรับคนที่มีอิหมานต่ออัลลอฮฺสุบะดาระยกตัวอย่างเขาบอกว่าตักวีฟาเนี่ยเป็นการเตือนสำทับคือในสมัยน่ะสมัยของนั่นน่ะสมัยของไซยะนาอุมัตนะมีจันทรุ ป, ปราคา จันนค่ากับสุริยคาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเลยถามว่าเพื่ออะไรตักวีฟาเพื่อให้เตือนสำทับเตือนคนให้นึกถึง Allah, าา<ม>อัลลอฮสุฮาณนา์วาตาลาอ้าวตอนนี้เห็นไหมอัลลอฮส่งสัญญาณมาเต็มเลยใช่หรือไม่ใช่สัญญาณบนโลกดุกยาไปนี่นะเต็มไปหมดซีเรียถูกเข็นฆ่าโดยชียะสซุนนีฆ่าถูกฆ่าโดยชิย แล้วก็ทุกหมู่บ้านเนี่ยถ้าปัตตานียาลาในราธิวาตมามปป์มีปัญหาใช่ไหมฟิลิปปินส์มีปัญหาคาชเมียร์มีปัญหามีปัญหาหมดเลยอะนี่เป็นเป็นสัญญาณอันหนึ่งให้มาทําไมก็พี่น้องเตือนสำทัพคนมุมินหรือคนที่ไม่เอาศาสนาจะได้ใช้สติปัญญาสําหรับเรานั่งอยู่ตรงนี้ปัญหามันยังไม่เกิดเนี่ยถ้าไม่เกิดที่เราทําไงตอนไี้เกิดที่ปัตตานียาลาในลาธิวาต์อยู่ถ้ามาเกิดจะมุกทมอไปไง ถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวในะกทมเนี่ยอลาอักบัตไม่ตายเรียรบมดเลยปะเนี่ยพอตายพัดเราเสียใจนะยอย่ามาเดาตบ้าตัวต่ออลาอลาอักบัตทำความผิดอยู่รอให้ไปทำพระยีก่อนแลยอย่าตาบ้าตัวรอทาไมมันต้องกลับตัวก่อนไปฮัทนี่ไปเจอฮัทเขาน้ำมากันวันหนึงห้าครั้งตายจะอยู่บ้านจะ่สองครั้งเอง ทำไม่ไหวเอาอีกปัญหาอีกอัางนี้เป็นตัวเอาสรุปแล้วว่มามนุสยละบิลอาญาอิละตักวีฟอัลลอ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสัมทับเท่านั้นเองคำอธิบายเป็นอย่างงี้ในฮะดีษของอิมามบุคอรดีมุสุอินนัชัมสวะลกอมัตมีสุริยาคาากับจันตรขาศนี่นะ เดือนดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อายาตานี่สองสัญญานี้มินอายาติแลเป็นสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮฺว่าอินน้าฮูมาลายังกาซิฟ่านี่แค่จริงจันทรุ ป, ปราคาก็ดีหรือสุริยรุ ป, ปราคาก็ดีไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะคนหนึ่งคนใดตายหรือไม่ใช่เพราะคนหนึ่งคนใดมีชีวิตคือเป็น่นี้วันวันนั้นน่ะวันที่เกิดสุริยุค่าที่นาที่นบีที่มักกะเนี่ย ลูกชายนาบีเสียชีวิตพอดีลูกชายนาบีเสียชีวิตชาวบ้านคุยชาวบ้านเนี่ย <c oughs> เป็นสื่อที่ดีที่สุดคุย <c oughs> อ๋อที่เกิดสุริยาค่าทเพราะลูกนบีตายลือครับไปน้องตามร้านกาแฟเนี่ยลือหมดเลยตามหมู่บ้านเนี่ยลือหมดนบีได้ยินนบีว่าเฮ้ยผิดเชื่อแบบนี้ผิดนบีเรียกแม่มารนี่เข้าสุราไปหมด น บ, บีก็บอกว่าไงนะลายังกาซีฟ่าในลีเมาที่อาหัดินว่าลายายาทีสุริยคาที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนหนึ่งคนใดตายหรือคนหนึ่งคนใดเกิดว่าากินนัลลอฮะยู่เข้าวิฟูบิฮาอิบดูแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะเตือนสำทับให้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เห็นสุริยคาาดีนะครับพี่น้อง จะได้กลัว Allah นึกถึง Allah سبحانه าละุตาลาน บ, บีสัง่งเวลาเห็นสุริยาคาาจะทำไงฝ่าอิลลาัายตุมจาลิกะเมื่อเห็นสุริยาคาาเกิดขึ้นไม่ใช่เอาไปเอากละมังมาเอาค้อนมาตีกละมังโอลลตุ้งตุ้งๆุยิงปืนน้ำ ท, ทำุรทมแต่มุสลิมทำไงฟัฟจาออจงรีบอิลาัซิกรีฮีไปจำลึกถึง a l l a วัดูอายให้ไปขอพรต่ออัลลอฮ์ว่าอิสตกลฟารีย์้และขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ سبحان ุลละให้ทำสามข้อไปน้องไม่ใช่ไปตีกระมังยิงปืนครูให้อลาฮูอุมจันอัลลอฮ์นี่คิดผิดทั้งหมดเลยไปน้องมันต้องคิดตามที่นบีสอนอัลฮัมดุลิลลาห์ไปน้องกับนี่ไงอิสลามไปน้องกับมากํากับชีวิตเรา อ้างฟินองคับหมดเวลานการพบพระผู้เป็นเจ้าของมันดีกว่าทัศนวลญาอิละห์อิลอันะอัสตัฟิรุกวะตบุอิกัสสลามุอะลัยุมะห์มตุลลอฮิวบระตุ